วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดช่วงนี้หลวงพ่อรู้สึกงานเข้าพองานกระสินเสร็จผ่านไม่กี่วันก็มีงาน ว, วัดรวมธรรมแล้วก็หลวงพ่อท่านรัตนะ ที่เคยอยู่วัดของเรามาหลายปีสิบกว่าปีท่านให้ไปอยู่ที่วัดรวมธรรมอำเภอเพนจังหวัดอุดรของเรานะ่พอท่านไปอยู่จำพรรษาปีแรกก็ทราบข่าวว่าหลวงพ่อท่านบวชมา4 0 41บพรรษา บวชจะ ก, กับเจ้าพระคุณสาเร็จพระสังฆราชองค์งที่ท่านสิ้นพระชนไปนี่แหละแล้วก็ตาไนไปอยู่ที่วัดเป็นเจ้าวัดอำเภอวังผุใสอำเภอหนองยาบป้องจังหวัด เ, เพชรบุรีหลายปีแต่ท่านท่านอายุมากแล้วก็เลยลูกหลานก็นำไปเอาไปไว้การเจนมดีที่บ้านเกิดของท่าน อาการก็ป่วยกั mm. เลยท่านรัตนคเอามารักษาโรวงพยาบาลศรีนครินก็มารับมรณภาพเมื่อวันที่20สตอนบ่ายอายุ86ปีพรรษา41บดวชเมื่ออายุมีอายุแก่บ่มีครอบครัวผ่านมาแล้วจึงได้บวชแต่ก็เป็นผู้มุ่งมั่นตั้งใจกับวันที่26 ตุลาเนี่ยอาทิตย์อาทิตย์ที่ยีบตุลาจะเป็นวันประชุมเพลิงที่วัดรวมธรรมเพราะนั้นหลวงพ่อจะต้องได้ออกไปอีกละ่ะไปดูอีกไปดูงานเพื่อความเรียบร้อยเพราะมันระยะสั้นเหลือเกินกว่าจะเกาะทําพิธีอะไรเพราะนั้นทางวัดของเราก็ช่วยๆกันดูนะลูกหลาน อาจจะมีคนมาพักสองคณะคณะหนึ่งก็ร้อยกว่าคนคณะหนึ่งก็หกสิบกว่าคนวันที่ย5ิบห้าย่ิบหกลวงพ่อจะได้ลงไปกรุงเทพที่ยี่สิบสี่ทางหมู่คณะกรูบาจารณินมนจะเป็นวัดบรวรกรอบรอบเจ้าพระคุณสมเด็จ พญานาสังวรสมเด็จพระสังฆราชครกบรอบวันชินพระสนของพระ อ, องค์หลวงพ่อจะได้ลงไปแสดงธรรมตอนบ่ายสี่โมงครึ่งวันที่ยี่สวันที่ย่สี่เสร็จแล้วหลวงพ่อจะได้ไปพักที่สวนแสงธรรมไปพักที่สวนแสงธรรมเสร็จแล้วก็ตอนเช้า จะได้มาฉันที่จิตโภชนานี่มนก่อนเพราะขุนต้นที่เป็นลูกชายผู้ใหญ่ของขุนหลวงก็ได้มรณะประราชทานเพิงไม่กี่วันที่ผ่านม า, าคงใจทาบุญก็คงจะสัทธาญาติโยมเหมือนกับทุกครั้งทุกคราวที่หลวงพ่อลงไปกรุงเทพพอฉันจะหันเสร็จ ที่นั่นแล้วก็คงจะกลับวันนั้นหมดวันที่ยี่้าเพื่อจะได้มาพบกับศรัทธาญาติโยมที่นัดกันไว้แต่เราไม่มาก็อย่างไรพอนัดกันมาตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาคนเป็นร้อยทำยังไงแบบจะสั่งระงับก็ใช่เรื่องเพราะนั้นก็ต้องหนักหนาอย่างไงก็ต้องพอพบกันก่อนนี่ ภาระธุระของพระก็ไม่ใช่ง่ายาง่ายเหมือนกันนะจะทา ญ, ญาโยมลูกหลานเหลุไพราะผู้ที่เขามาเกี่ยวข้องอก็จะต้องดูน้ำจิตใจที่มาจากถิ่นไกลเราก็จะต้องตอนรับขับสูอ้อันนี้ก็คือเป็นญาติธรรม ตลอดถึงการแจก m อ3ของหลวงพ่อ mm. เหมือนกันนะลูกห ล, กลานหลวงพ่อไม่ใช่หลวงพ่อไม่คิดนะแจก MP3 หลวงพ่อย้ำแล้วพูดอีกบางทีแจกให้พวกคนรุ่นใหม่รุ่นใหม่บางคนก็ฟังนะเสียแต่รถฟังไปไเรื่อยๆอันนั้นก็เป็นการประดับจิตปัญญาของผู้ได้ยินได้ฟังแต่บางคนก็รับไปแล้วก็ ทิ้งไว้บางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักธุรกิจนักธุรการทั้งหลายแหละนะหลวงพ่อมั่นใจว่าคงไม่ได้ฟังฟังไม่กี่เปอร์เซนต์ฟังไม่กี่คนแต่หลวงพ่อคิดว่าอีกสักวันหนึ่งต่อไปภัยภาคหน้าด้เมื่อไปนอนอยู่โรงพยาบาลโค้งสุดท้ายนะั่นแหะอย่างน้อยก็มีเสียงธรรมะเสียงพระพูดบ้างเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติ สำหรับพวกเราแต่ขณะ น, นี้มันยังมัวเมาลุ่มหลงอยู่ก็ปล่อยไปสะก่อนเพราะโลกมันดึงดูดเพราะธรรมเนี่ยมันฝืนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดธรร ม, มะเนี่ยมันฝืนฝืนจิตฝืนใจของกิเลสกิเลสอยากจะไปอย่างนั้นอพอฟังธรร ม, มะที่หลวงพอ่อพูดให้ฟังเป็นอย่างนี้มันว่ามันฟังดีกว่าเพราะเราอยากจะไปทางนู้น เรายากจะไปทางอีกทางซ้ายแต่ธรรมะนี่ไปทางขวามันไม่ใช่ทางขวาธรรมดาอีกมันทางตรงกันข้ามอีกดำกับขาวไปเลยลักษณะอย่างนั้นบางเรื่องเพราะนั้นนักธุรกิจนักตุรการอย่างที่จะถึงจะไม่ทำให้เป็นสีสีดำทีเดียวก็มันก็สีสีเทาอะเนี่ย มันก็ไม่ใช่สีขาวทีเดียวพอฟังแล้วมันก็ต้องเดล้างหูชำละหูไม่สบายใจอย่าฟังดีกว่าลักษณะอย่างนั้นหลวงพ่อว่านะแต่ถึงยังไงก็ตามธรรมะนี่ถึงโค้งสุดท้ายแล้วก็ต้องเข้ามาหาหลักธรรมะทุกคนถ้าหาว่าผู้ผู้มุ่งหวังคุณงามความดีเว้นเสียแต่ผู้ที่ไปสุดตง ชั่วทั้งร้อยทั้งร้อยอันนั้นก็ปท ะ, ะประมะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ใช่ว่าจะได้ดีทุกคนจะเลวทุกคนก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนนะให้ฟังไว้ศึกษาไว้เรื่องธรรมะแต่ละวันแต่ละเวลาเมื่อมีโอกาสให้ฟังให้ศึกษาอย่างน้อยก็เป็นเครื่องเตือนสติ ไม่ให้พวกเรารุ่มหลงหมัวเมาจนเกินไปถ้าหากว่าเราไม่มีธรรมะในจิตในใจมันถลํามันถลําลึกจริงๆนะมันมองไม่เห็นคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมทีเดียวแล้วเหมือนกับช้างตกมันลักษณะอย่างนั้นนะช้างตกมันมันหลงไปหมดมันลืมไปทั้งเจ้าของมันไม่รู้สึกก็ทั้งเจ้าของเจ้าของที่เลี้ยงมันคือใคร ช้างตกมันมันถึงขนาดนั้นอันนี้ก็เหมือนกันถ้าใครก็ตามไปลุ่มหลงไปติดรักไปติดรักติดหลงจะเป็นหญิงเป็นชายก็ตามมันลืมกระท้องพ่อแม่วงศ์สาคนายาตใครห้ามไม่ฟังมันหลงก็ปิดหูปิดตา ถ, ถึงขนาดนั้นละเพราะเหตุไรเพราะมันหลงแต่พอจำเลิกได้บางทีก็สายเกินไปเสียแล้ว นี่แหะอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ถึงยังไงก็ตามให้พวกเราฟังเอาไว้ธรรมะถ้าถึงจะหลงขนาดไหนก็เถอะมันก็ยังมีเครื่องกระชุดกระชากจิตใจของเราให้ถอยกลับมาหาอันไหนควรไม่ควรอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องอันไหนคือศีลอันไหนคือธรรมอันไหนควรประพฤติปฏิบัติความตามความถูกต้องเหมาะสมถ้าเราได้ฟังธรรมะ ไว้หลครั้งต่อหลายหนต่างกลามต่างวาระหลวงพ่อมั่นใจว่าธรรมะนะ่ะจะเป็นเครื่องสกิดสกิดใจของพวกเราให้รู้จักว่าอันนี้อันไหนควรไม่ควรแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้สนใจใส่ใจเสเลยโดยมากจะถลําลึกนะถ้าเป็นช้างก็เหมือนช้างตกมันอย่างว่าเนี่ยหลงลืมกระทั่งพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายหลงไปหมด มืดมิดปิดตาถลำไปในทางความชั่วจะมากกว่าเพราะกิเลสมันพาไปประทังขอให้พวกเราในสําสำนึกนะศีลธรรมนะไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนากำหนดจิตกำหนดใจทางบอกพวกเราทำได้อย่างนี้ก็ยังเป็นเนบรกยังจิตทางใจของพวกเราอยู่ ไม่ใช่ว่าจะเหยียบคันเร่งตะพัดตะเพิอหักพวงมลาลัยไปในทางชั่วหมุนไปทางในทางชั่วแล้วก็เหยียบคันเร่งทั้งหมุนพวงมลาลัยไปทางชั่วถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นแปลว่าเหมือนช้างตกมันเหมือนหัวกิเลสายต่ำมันสุดกระชากไปอย่างแรงจนมองไม่เห็นคุณงามความดีไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ พาลูกพราหลานศรัทธาญาติโยมให้รู้จักชีวิตของพวกเราก็อย่างที่หลวงพ่อพูดนะ เ, เดี๋ยวกับพระราชทานเพลิงคนนั้นเดี๋ยวก็ไปชุมเพลิงคนนี้เดี๋ยวก็เผาคนนั้นเดี๋ยวก็ฝังคนนี้ไล่มาเป็นลําดับลําดับแต่เราสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่อยากจะคิดถึงจะไม่อยากจะคิดก็เถอะมันเป็นมาแล้วอย่างที่มันเป็นมา คิดเลยไม่คิดมันก็เป็นให้เห็นอยู่แล้วถึงจะพูดหรือไม่พูดมันก็มีเป็นให้เห็นอยู่แล้วถ้าระวยงระวงังไว้ดีกว่าตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ระวยงระวงังให้สังเกตให้ฟังไว้ดีกว่าพอถึงวันนั้นมาถึงเราจะได้ยอมรับ หรือว่าปรับปรุงแก้ไขหรือว่าเราจะปฏิบัติตนยังไงในช่วงนั้นๆพอเราได้คิดไว้แล้วแต่เราไม่ได้คิดไว้นะทุกใจนะคณะตถาญาติโยมลูกหลานพอเขาว่าอะไรแนะนำอะไรทำได้หมดทุกอย่างอย่างที่หลวงพ่อเคยวาดเพราะความกลัวความตัวกลัวตาย กลัวภัยวิบัติจะมาถึงเอเขาแนะนําอะไรทําหมดทุกอย่างไอ้กินขี้หมาก็กินได้เพราะเหตุไรเพราะว่าเอจะทํายังไงกลัวแต่ตามไม่จริงถ้าหากว่าผู้ที่ได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนนะรู้จักนะรู้จักวางตัวเออถึงค่าวแล้วหรือถึงค่าวแล้วทํายังไงได้เกิดแก่เจ็บตายคุณงามความดีของเรามีไหม บุญกุศลที่เราได้เตรียมพร้อมเพียงพอหรือยังเป็นที่อุ่นใจหรือยังถึงจะไม่เพียงพอก็อุ่นใจหรือย่างขนาดนี้นี่แหละถ้าเราได้เตรียมพร้อมไว้ย่างงั้นถึงยังไงก็ไม่ไม่ไม่ทุกข์ใจนะจทหาญาติโยมลูกหลานต่อเ น, นื่อไปรับพรอนโมทนาให้พร